บทนี้จะ แ, แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่เป็นการเพิ่มพูนกุศลพึงกล่าวโดยสรุปคือการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นภารกิจหลักในการกระทำ ก็คือการตั้งสติสัมปชัญญะในความเพียรระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ที่กำหนดระลึกไม่ใส่ใจสนใจในเรื่องอื่นความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งขอสาคัญว่าจิตใจจะต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้น ลักษณะเหล่านั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นทั้งศรัทธาเป็นทั้งความเพียรเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิแล้วก็เป็นทั้งปัญญาซึ่งเกิดขึ้นมีอยู่ในขณะเดียวกันเมื่อพยายามกระทาไปปฏิบัติไปปริมาณของธรรมะเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นด้วยกัน รากวก็ลดก็เป็นการลดลงด้วยกันเช่นเดียวกับเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏอยู่โดยธรรมชาติเรืองกับ น, น้ําทางเหนือลดลงมาข้างล่างก็ลดต่ำไปน้ำทางเหนือสูงข้างล่างก็สูงต่ำไปตรรมปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน พระผู้มีภาคเจ้าทรงอุปมาพวกกุศลนธรรมทั้งหลายเช่นอินทรีย์ทั้งห้าประการที่กล่าวแล้วพอเป็นเหมือนสหายห้าคนที่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนแต่ละคนเจ้าของบ้านก็ทำหน้าที่ดูแลต้อนรับเพื่อนอีกสี่คน แต่พอถึงเข้ามาในราชวังราชกุมารซึ่งเปรียบเหมือนพระราชาซึ่งซึ่งเปรียบเหมือนปัญญาจะต้องเป็นหลักให้แก่คนทั้งสีประการนั้นจึงแสดงเห็นได้ว่าการวิบัติธรรมะหรือการเพิ่มภูลสศรักฐาก็ต้องมีการอิงอาศัยปัญญา เป็นเครื่องพินิพิจนาถึงสิ่งหรือบุคคลหรือเรื่องที่ควรจะเชื่ อ, อหรือไม่ควรจะเชื่อบางอย่างก็ง่ายต่อการที่จะเชื่อบางอย่างจะต้องศึกษาพินิพิจณาอยู่มากเพราตามปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นคนคนเป็นสัตว์โลกที่จะคิดอย่างหนึ่ง อาการปรากฏออกมาอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอีกอย่างหนึ่งได้อันเป็นอาการของอุปกิเลส ท, ที่เรียกว่ามายาบั้งโอวดบังเสแส้ง S S B บัางหรือมานะความแข็งดีเป็นต้นบัางเพราะหลักที่ใช้ศรัทธาจึงจะมองเน้นไปที่ตัวบุคคลซึ่งเป็นหลักในฐานะเป็นศาสานิกก็มองไปที่องค์พระพุทธเจ้า มองไปที่คำสอนของพระองค์มองไปที่พระสงฆ์ซึ่งปฏิบัติตามคำสอนอนั้นพระพระวาตนาใจทั้งสามนั้นมีความเชื่อมต่อถึงกันโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีได้น้อยถ้าผิดพลาดก็มีเฉพาะที่เกิดขึ้นจากเราเองหรือเกิดขึ้นจากการไปหลงปิดในตัวพระสงฆ์ แต่พระพุทธเจ้าประทำนั้นเป็นหลักที่แน่นอนโดยการเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์เป็นต้นปัญญาก็วิเคราะห์ตรวจสอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์แต่ในแง่ของข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่มีที่ไปที่มายังไม่ชัดเจน ก่อนจะน้อมใจเชื่อปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นพินิษฐ์พิจารณาลักษณะการเทียบเคียงการสอบทานด้วยการตรวจสอบถ้าเป็นเรื่องจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็พักไว้ก่อนรอข้อมูลมาเพิ่มเติมในเรื่องอนั้นปัญหาเรื่องการน้อมใจเชื่อดยง่ายเป็นปัญหาใหญ่เพราะตามปกติแล้วคนเราจะอ่อนไหว ไปตามสื่อต่างๆที่มีการเผยแพร่เปการชนชนักจวนกันบางทีปัญญามันเกิดขึ้นไม่ทันศรัท ธ, ธาไปเสก่อนแล้วจึงในทางปฏิบัติแล้วศรัท ธ, ธากับปัญญาเขาต้องอิงกันศรัท ธ, ธาล้ำหน้าไปก็อาจจะง ม, มงายได้ง่ายปัญญาล้ำหน้าไปก็อาจจะเสียฐานเสียศูนที่เราพูดกันว่าสติเพื่อน เพราะฉะนั้นจะเป็นจะต้องควบคุมให้ศรัทธากับปัญญาอยู่ในระดับที่หนุนกันในตรงใดที่เรามีกำลังปัญญาน้อยพูะเจ้าก็สอนในรูปของการสอบถามปัญหาในการสนทนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันแล้วยกย่องการกระทําเหล่านั้นว่าเป็นมงคล เนการสนทนาทำตามการเป็นมงคลการความธรรมตามการเป็นมงคลที่จริงเป็นการเพิ่มปัญญาเพิ่มความบริสุทธิ์ความสงบขึ้นภายในใจเราในขณะฟังะจะนํามาใช้ตรวจสอบถึงสิ่งที่จะน้อมใจเชื่อได้ในขณะเดียวกันศรัทธาที่เกิดขึ้น ก็จะมีความมั่นคงเพราะความเครือบแคลงสงสัยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อศรัทธานั้นก็ต้องจางลงไปเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติเพราะว่าความเครือบแคลงสงสัยนั้นปิ่งกิเลสประเภทโมหะเหมือนความมืดปัญญาเป็นแสงสว่างอย่างที่รับสั่งว่าปัญญาดุกสุมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก เพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยความเครือแแลงสงสัยเขาก็สงบออไปก็ทำให้ช่วยศรัท ธ, ธาย่อนคือความเครือแแปลงสงสัยก็ย่อนตามไปด้วยก็กลายเป็นพลังของธรรมะที่มีการเพิ่มภูนขึ้นความเพียรพยายามการระลึกการมั่นคงในด้านจิตก็จะเพิ่มตามขึ้นมา เราก็จะเห็นความจางไปของกิเลสประเภทต่างๆที่กล่าวพาโดยดำดับไม่ว่าจะเป็นกิเลสประเภทโลกกิเลสกลุ่มแรกที่เราพูดในสังโยชน์สิบในการพูดเรื่องกิเลสประเภทหลงคือสกายทิฏฐิความเห็นเป็นเอกือตัวถือตนหือเป็นตัวเป็นตน บางอย่างเราปฏิเสธเรื่องเหล่านี้ด้วยศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาคือไม่ชื่อตัวชื่อตัวมันที่เราก็นอมใจเชื่อไปไเลยทรงนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นแต่ว่าเพื่อจะให้เกิดผลในทางปฏิบัติเราก็นําปัญญาเข้าไปคิดว่าที่รับสั่งแสดงไว้นั้นจริงหรือไม่จริง เป็นหน้าตาได้อย่างไงถึงให้เหตุผลว่าหนึ่งเราบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เราก็าดูที่ขันขันไหนก็ได้ดูตัวเป็นภาพรวมๆก็ได้คือหมายความว่ามาดูพร้อมมาทีเดียวทั้งห้าขันก็ได้มารูที่เราต้องการให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ไหม เราต้องการให้จำเฉพาะเรื่องที่เราอยากจำแล้วไม่จำเรื่องที่เราไม่อยากจำได้ไหมปรากฏว่าทำไม่ได้เรื่องที่ยังไม่อยากจำบางทีจำใหญ่เลยเรื่องที่อยากจำลืมไปเสแล้วเราต้องการให้สุขเวทนาเกิดขึ้นตามที่เราต้องการได้ไหมนั่งสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายปรากฏว่าเอาไม่ได้แม้จะเพียรพยายามอย่างไง มันก็อาจจะเป็นได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะเราต้องการให้ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นภายในใจเราต่อเนื่องได้ไหมมีเมตตามีความกรุณามีความละอายต่อบาปมีความสงบสิ่งี่งงียมเป็นต้นปรากฏว่าเอาไม่ได้คุมไม่ได้แม้ในส่วนที่ไม่ดีก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตลอดถึงการรับรู้ เราควบคุมทิศทางการรับรู้ได้ไหมรูปบางอย่างไม่ต้องการดูอย่าดูได้ไหมเอาก็จริงปรากฏว่ารูปที่ไม่อยากดูอยากดูกันใหญ่เร น, นองคล้ายๆกันเด็กกลัวผีแต่ก็อยากจะฟังเรื่องผีเราก็เล่าเรื่องผีเสร็จก็นอนกลัวนอนไม่หลับแต่ซูก็รุ่งในเช้าก็อยากฟังอีกนั้นแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ขัดแย้งกันอยู่ภายในตัวคน ในสภาวะที่เราควบคุมบังคับอะไรไม่ได้หรมองในแง่เราเป็นเจ้าของคือถ้าเป็นของเราหรือเป็นตัวเราเราก็เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราถามเอาจริงแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่เวลาจะแก่เขาก็แก่เวลาจเจ็บเขาก็เจ็บเวลาจะพลาดพราดเขาก็พลาดพลาด เวลาตายเขาก็ตายเราไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงสักอย่างการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจึงเป็นเรื่องของการสมมติปัญญาตือครองกันในแต่ละขณะสิ่งทั้งหลายที่ค่อนข้างดูได้ง่ายมากๆก็กเมื่อเงินทองที่เราถือครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่เราไปซื้อของที่ตลาดเงินนั้นมันก็เปลี่ยนมือบางทีก็เปลี่ยนมือต่อหน้าเรานั่นเองไปทั้งหลายคน แ, แสดงเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆการยอมรับของเราจึงพูดกันในแง่สมมติบัญญัติใครครอบครองกันอยู่ในขณะนั้นก็ถือว่าคนนั้นเป็นเจ้าของแต่พอเปลี่ยนมือคนอื่นก็เป็นเจ้าของต่อไปคนนั้นก็ไม่เป็นเจ้าของอีกแล้วคืนไปเอากลับมันก็กลายเป็นการลักขโมยหรือจินตนาฐานเพราะแนวสินธรรมัญญามันก็เห็นได้ง่าย แกล้ก ข, ของของคนหนึ่งถ้าเราไปหยิบสวยมาก็เป็นอธทินนาทานแต่ถ้าเราซื้อมาก็เป็นของเราแล้วคนนั้นไม่มีสิทธิ์จะมาเอาอีกถ้าคืนเอาเขาก็เป็นอธทินนาทาน้าทานที่ไปก่อนหน้านั้นถ้าเราหยิบเราก็เป็นอธทินนาทานเขาเป็นโจดพอเราซื้อมาเขามาหยิบเขาเป็นอธทินนาทานเป็นโจรเราก็เป็นโจดเราก็เปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้ แล้วก็จริงพอแยพอย่อยพอแยกก็ไปมันก็หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ไอ้ศรัทธาที่เคยมีตามที่พระเจ้าทรงแสดงมันก็เพิ่มขึ้นต่ลงว่ากลายเป็นพลังที่จะให้เกิดความเพียรพยายามระลึกรู้ด้วจิตใจที่มั่นคงต้องการที่จะลดละ ถายถอนผ่อนคลายความรู้สึกไขวยคว้าว่าของเราของเราอย่างน้อยที่สุดก็ให้คว้าถูกอย่าถึงกับคว้าผิดคว้าผิดก็คือคว้าไปด้วยอานาจของกิเลสที่รุนแรงขาดการควบคุมสแสวงหาได้มาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรสิร่งที่ได้มาเป็นสมบัติติดโลกบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ติดใจ ทอนใจเราตกต่าเสื่อมถอยลงไปคุนี้จะเห็นได้ว่าธรรมะเหล่านี้ก็จะเกิดด้วยกันแล้วพอเขาเกิดแล้วสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาก็จะลดไปในวิจิกิจตาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตอนต้นๆมันก็เกิดจากศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตะโพสตถาเป็นหลัก วิเชื่อ ก, การแต่สรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแม้จะต้งจําแนกแสดงความเครื่อแพร่งสงสัยไว้ทั้งแปดข้อแต่พึงสังเกตว่าถ้าเราเดินตามรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าไปพูดํานวนง่ายๆไปเดินตามหลังผู้ใหญ่ไปเราก็จะอาศัยความเชื่อนี่เป็นฐานเราเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อในพระคุณของพระองค์ก็เราก็เชื่อคําสอนของพระองค์ถ้าเรามองภาพบพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับหมอพระธรรมนั้นเหมือนกัญญาพระสงฆ์นั้นเหมือนคนที่เคยรับประทานยาแล้วก็หายจากโรคให้เราสั้งเกตเราเชื่อตรงไหนก่อนก็ได้เราเชื่อที่คนหายป่วย พอเขาหายป่วยเพราะรับประทานยาชนิดนั้นเขาก็นำไปสู่การเชื่อยาที่คนนั้นรับประทานแล้วหายป่วยประธาบัิญญา น, นี้ของใครบอกของหมอคนนั้นก็ทำให้เราเชื่อหมอแสดงว่าเราเริ่มมาจากคนหายป่วยไปสู่การเชื่อยาแล้วไปสู่การเชื่อหมอบางทีเราก็อาจจะจับที่ยา สามัญยาใครให้หมอคนนั้นคนนี้ให้เคยเห็นผลเห็นอานิสงจากการเยียารักษานี้หรือไม่ก็มีตัวอย่างบุคคลที่เขาเคยหายจา ก, จา ก, จ, ากจากการรับประทานยานั้นเราก็เริ่มที่ยาแต่เชื่อหมอแล้วก็เชื่อคนที่เคยหายป่วยดังนที่ก็จับที่หมอเราอาศัยความเชื่อหมอจึงพร้อมที่จะรับประทานยา ผนเป็นปัจจตตังคือปรากฏแก่เราคนอื่นที่เคยหายป่วยนั้นก็เป็นกำลังใจให้เพราะมีตัวอย่างที่ให้เกิดความมั่นใจว่ายานี้ให้ผลจริงๆเพราะคนเคยรับประทานแล้วก็หายนี้แสดงเราเริ่มที่หมอหลังการศึกษาธรรมะน้อมศรัทธาอาจจะเริ่มที่พระพุทธเจ้าอาจจะเริ่มที่พระธรรมอาจจะเริ่มที่ประสงฆ์แต่ก็ถึงกัน ปัญหาว่าทำยังไงจึงจะให้เกิดเป็นกำลังมั่นคงขึ้นปัญญาก็ต้องขึ้นมาช่วยเพราะว่าสตาจะมั่นคงไม่ได้เลยถ้าไม่มีสัมผัสตรงสัมผัสตรงก็เหมือนกับสัมผัสทางประสาตอีกห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายทางสายชนท้งหลายจะเห็นว่าเราอาจจะได้ยินได้ฟังได้อ่านเอกสารมากมาย ก, ายก่อ แต่ศาสตรใดที่เรายังไม่ได้สัมผัสคือไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูไม่ได้สูดดมด้วยจมูกไม่ได้ลิ้มด้วยลิ้นไม่ได้จับต้องด้วยกายความเชื่อนั้นจะไม่ร้อยเจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เกิดไม่แน่ใจแต่ยิงเขาว่าอย่างนั้นข่าวเขาว่าอย่างนั้นตำราเขาว่าอย่างนั้นมีคนก็บอกว่าอย่างนั้นสแสดงว่าเราไม่กล้ายืนจัน หมายความว่ายังไงหมายความความเชื่อมั่นอย่างไม่เต็มที่แต่เมื่อใดเราได้สัมผัสด้วยประสาททั้งห้าเราก็ยืนยันได้แต่ผลจากธรรมานั้นเป็นสัมผัสทางจิตถึงเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตกลุ่มธรรมะทั้งหมดเป็นกลุ่มสงบเย็นและเราจักธรรมะข้อใดขึ้นมาก็ตาม เราจะดูความเย็นความสุขความสงบความเย็นนี่จะเกิดขึ้นไปในใจก่อนใจก็จะสงบหรือใจก็จะมีสุขเป็นความต่อเนื่องที่ไม่ทิ้งช่วงนานอะไรเมื่อเราเห็นตรงนั้นก็จะเห็นว่าไอ้สิ่งที่เคยทาให้เกิดความ ร, าร้อนมันหมดไปหรือน้อยก็สงบไป ได้เกิดอุตสาหะเพราะว่าทั้งเย็นทั้งสงบทั้งสุขีนเราชอบทั้นั้นเราอยู่ด้วยความเย็นอยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความสงบได้นานๆแต่เราอยู่ด้วยความร้อนความไม่สงบความทุกข์ไม่ได้นานแล้วก็ไม่มีใครชอบพอใจจะเกิดฉันทะคือความพอใจในตัวผลคือความเย็นที่จิต ความสงบจิจจิตความสุขทิจจิตมันต้องสืบสาวใกล้ๆการรับประทานอาหารรับประทานผลไม่รับประทานอะไรก็ตามพอได้สัมผัสรถบันก็เรียกหาผลเรียกหาผลก็เรียกหาที่มาขนมนี้สมมตริรับประทานขนมเอาขนมอะไรมีขายที่ไหน ใ, นใครเป็นคนขายมันก็สืบไปเตึงหาที่มาจนได้ แต่าการสัมผัสผลจึงถือว่าเป็นปัจจัยที่จะเสริมสร้างให้จิตมีความมั่นคงเป็นการมั่นคงทั้งศรัทธาและก็ทั้งปัญญาแต่ว่าสามัญชนเราในการศึกษาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีแตจะเอามั่นคงจริงๆเนี่ยในสถานการณ์ปกติก็คงจะพิสูจน์อะไรไม่ค่อยได้ แต่อย่าลืมว่าคำว่าความมั่นคงนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองได้ทุกสถานาการณ์แม่บทในการพิสูจน์ทดสอบผลของธรรมะเราก็มีตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นๆเราเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าตัสรุพญามารมาพจนต้องพ่ายแพ้ไปหลังจากตัสรุแล้วที่เรานำมาเป็นภาพ วัตรู ป, ปางมารวิจัยคือปางชนะมานมีการถูกพิสูจน์ทดสอบด้วยวิธีการตา่างอารมณ์ที่ยั่วยวนให้หลงไหลครั่งคลายมีความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในส่วนที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นวัตถุ ก, กรรเป็นเหยื่อของชาวโลกชาวโลกสยบติดอยู่ในเหยื่อคือการมาขุด แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่วันไหวดูไปชนท่านก็แค่สาสิบหกยังหนุ่มภาพนางตันหาราคารตีมายุโยยวนด้วย ว, ยวิธีการต่างๆนั้นเป็นภาพที่ถ้าคนทั่วไปมันก็วันไหวแต่คนระดับนี้จะไม่วันไหวจะถามาทําไมเพราะกิเลสเป็นเหตุหวันไหวนั้นมันหมดไปเือกิเลสเป็นเหตุหวันไหวหมดไปความวันไหวก็เกิดขึ้นไม่ได้ กรณีที่สังเกตในส่วนนี้แม้ในชีวิตประจําวันของเราเองก็อาจจะมีประสบการณ์ในส่วนนี้เช่นมีคําพูดของชนชาติใดชาติหนึ่งเป็นคําหยาบคายร้ายกาจมากแล้วมาพูดกับเราพอดีเราไม่รู้ว่าความหมายมันเป็นยังไงเชื้อกิเลสที่เป็นเหตุให้โกรธภายในใจเราเฉพาะเรื่องนี้ไม่มีแต่แล้วเราก็ฟังเฉย คือไม่รู้สึกโกรธรู้สึกกินดียินร้ายแต่ประกันได้เพราะเชื้อภายในใจจึงถือว่ามีความสำคัญถ้าตราบใดยังมีเชื้ออยู่เนี่ยเมื่อโดนกระแทกแรงๆจากข้างนอกโอกาสที่จะหวั่นไหวนั้นได้ง่ายแต่ที่ปัญหามากๆนั้น็นสังเกตว่าเป็นการแสหาเรื่องหรือสายไปหาเรื่อง แต่ทำไมต้งสายทำไมถึงแสบเพราะว่าจิตมันถูกผลักไสด้ว ย, ยกิเลสเป็นการวิ่งเข้าไปหาปัญหาเองลคล้ายวิ่งเข้าไปชนหอกชนดาบชนกำแพงหรือคล้ายๆกับที่เราพูดเรื่องมะแรงมากเป็นข้าวของไฟเราเห็นว่าไฟก็อยู่ส่วนไฟไไมะแรงเมากก็อยู่ส่วนมะแรงเมา้า เพราะไม่มีโอกาสมาทําอะไรได้หรอกอมแมลงมากมันบินได้แต่มแมลงม้าก็บินไปหาเขาเองแด้ก็ตายเองคล้ายๆกับเรื่องที่ิรลนรงเรื่องปัญหาโรคเอดอะไรในปัจจุบันเราเห็นว่าถ้าเรามองให้ดีแล้วปัญหาโรคเอดนั้นคนวิ่งไปหามันไม่ใช่มันวิ่งมาหาเราโรคหวัดโรคอะไรนั้นมันวิ่งมาหาเราแม้แต่มเร็งเองมันก็วิ่งมาหาเรา แต่โรคเออดคนวิ่งไปหามันแล้วก็วันวิโต ก, กังวลกันด้วยประการต่างๆแต่ทั้งที่เรามองจากสายพระพุทธศาสนาปัญญาพิจนาเห็นโทษของการเป็นโรคในลักษณะนั้นเรามองสืบสาวไปถึงอาการที่ปรากฏไม่ต้องไปถึงกิเลสเห็นว่าถ้าเรารักษาสี่งข้อาการเมได้ ข้อสุราได้ข้อกาเมเดินไปจนถึงสำรวมระวังในการข้อสุราเดินไปจนถึงมีสติเพราะเบนจะทำของกาเมก็คือสำรวมในการไปจะทมของสุราก็คือสติด้วยธรรมะเพียงสองประการนี้ไม่พูดเรื่องศีลก็ได้ครับแต่มันจะคุ้มครองจิตใจของตัวเองให้ มีการระลึกรู้สิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษก็ระมัดระวังคือใช้การมาสังวรคือการระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องดหลนั้นปัญหามก็จะไม่เกิดตระเยนว่าแม้ธรรมะจะเกิดขึ้นเพียงสองข้อคือการมาสังวรกับสติแต่อย่าลืมว่ามาถึงอยู่จุดนี้ได้แม้สี่ในสามข้อก็อถูกรักษาตามไปด้วย เพราะอะไรเพราะว่าโรคเหล่านั้นมันฆ่าเราเรากลัวความตายสติก็จะเรียกว่าฆ่าคนอื่นเขาก็กลัวตายเหมือนกันการสังบนระวังข้อบอำนาติบาสมันก็เกิดขึ้นข้ออธินาทานก็เกิดขึ้นข้อมูสาวานก็เกิดขึ้นโดยสายธรรมะหลักตรงนี้คือสติแล้วเกิดเป็นการสํารวมและนัเป็นศีลก็คงจะมากกว่านั้นแต่ดูตัวอย่าง จากสี่ห้าเราจะเห็นว่ามันก็คลุมไปหมดแล้วดังนั้นการเสริมสร้างศรัทธาก่อนหรือว่าปัญญาก่อนก็ตามแต่โด่ศรัทธากับปัญญาเขาเคียงคู่กันนานกันปสนับสนุนส่งเสริมกันคุณธรรมข้ออื่นเช่นความเพียรเช่นสติ เป็นสมาจิคือความมัน่นคงทางจิตก็เกิดขึ้นพระศรัทธาก็ก่อให้เกิดความมัน่นคงปัญญาก็เกิดให้เกิดความมัน่นคงเห็นยกตัวอย่างว่าเรามีสัมผัสตรงในเรื่องนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่ามีทั้งกําลังศรัทธาและมีทั้งกําลังปัญญามีคนก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจะอธิบายจะโน้มน้าวจะหาวิธีการอะไรมาก็ตาม เราจะไม่อ่อนไววไปตามคำพูดของคนเหล่า น, นั้นเพราะเรามีสัมผัสตรงแต่เราก็จะรู้ทันทีว่าคนนี้หลงผิดคนนี้เข้าใจผิดด้วยครับเรางการใช้ธรรมะข้อใดค้อนหนึ่งเริ่มต้นก็ได้เป็นหลักแต่ที่จริงก็อย่างที่ผร้เจ้ายกตัวอย่างมาเหมือนสายสี่ห้าคนเนี่ยตราจะเริ่มที่ความเพียรก็ได้ อาจจะเริ่มที่สติก็ได้อาจจะเริ่มที่สมาธิคือใจสงบก่อนก็ได้ยังแนวการจเจริญกรรมฐานเจาเห็นว่าเราเริ่มที่สมาธิแต่สมาธินั้นถูกสนับสนุนด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาเพียงแต่ว่าคาบางคำทรงเปลี่ยนเช่นสติก็ทงเรียกว่าสติมา ความเพียรทรงเรียบ อ, อาตาปะแปลว่าความเพียรที่เป็นไปทั้งทางกายและทางจิตมีกําลังมากสามารถเผากิเลสให้ร้อนคือละลายแล้วก็มีปัญญาปัญญาธรรมะสามประการนี้จึงเป็นอุปการะให้เกิดสมาธิสี่ประการนี้จึงเป็นอุปการะให้เกิดสมาธิ<ม>เพสนใจเริ่มตรงไหนนี่ไม่สาคัญ อย่าในการฟังเทศเราเห็นว่าฟังเทศได้จริงเริ่มทนปัญญาตัวการได้ยินได้ฟังมันเริ่มที่ปัญญาแต่ก่อนจะฟังได้จริงเริ่มใน่ศรัทธาศราทธเฉยมันก็ไม่ได้เรามีความเพียนในขณะฟังมันก็ต้องมีสติและมีจิตใจสงบแลวก็กลายเป็นมดทั้งสี่ข้อทั้งห้าข้อ ในด้านของการถือมั่นโดยศีลโดวยวัด ร, รือข้อปฏิบัติต่างๆที่งม ง, งายไร้เหตุผลมากๆหรือว่างม ง, ง, งายน้อยหรือว่ามีปัญหาในบางจุดรเราจเห็นว่าคำว่าสีรับประตับปรามาตนนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดีทั้งหมดเพียง <spe ech> แต่ว่าบางระดับเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆการยึดติดว่าปรมฌานพวกชาทั้งหลายเป็นนิพพาน ตรงนี้ก็กลายเป็นสีลอบตับรามาสไปด้วยเพราะทําให้ท่านหยุดอยุติชี้ลักษณะกิเลสประเภทโมหะนั้นจะทําให้หยุดอยุติชี้ถ้าไม่อย่างนั้นจะมีความสับสนเราจะเห็นอาการที่ปรากฏแก่ จ, จิตของคนที่เป็นรูปของอุทจฉาคือฟุง้งท่านเห็นว่านั้นคืออาการสับสนวิจิกิจฉาสงสัยคือหยุดไปไม่ได้ เดินไม่ได้กินไม่ได้ทำไม่ได้เพราะยังสงสัยอาการเหล่านี้จะทำให้หยุดจูเกชีอย่างนี้พระเจ้ารับสั่งประรบถึงอดีตอาจารย์ทั้งสองที่ท่านถือว่าท่านทิพานแล้วเหมือนกันเพืาอการยึดอย่างนั้นมันก็กลายเป็นสีละพตรามาสขึ้นมาท่านแต่มันเป็นอุปสักขัขดขวางระดับทิพาน์นันไม่ใช่ขัดขวางระดับล่างๆระดับล่า ง, างมันดี เป็นศีลเป็นสมาชิในจิตใจสงบมัน่คนคงกิเลสไม่สามารถจะเบียดแทรกเข้ามาได้ตรับเท่าที่ยังมีฌานอยู่แต่ท่านยังประสบความทุกข์ในวัฏจเกียังต้องหมุนวนอยู่ในตัณร า, าวัฏพระเจ้าจึงรับสั่งท่านทั้งสองกออุทานว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความสูญเสียความิบัติอย่างรุนแรงเพราะทาลายโอกาสที่จะ ขยับขึ้นมอีกขั้นหนึ่งคือเข้าสู่กระแสนิพพานซึ่งเป็นการยุติความทุกข์ได้ด้วยประการทั้งปวงที่รวมสรุปรวมว่าวัฏฏทุกข์หรือการหมุนวนในสังสารวัฏตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสุขต่อไป